เขาเชื่อว่าหัวหน้าของเขาจะต้องออกคำสั่งให้สู้เพื่อตีฝ่าวไปนั่นเป็นสิ่งที่ลูกผู้ชายจะต้องทำบางทีบางคนอาจจะรอดแต่ถ้าไม่รอดเขาก็จะได้เปริกชีวิตค่าศึกบางคนให้ตายไปกับเขาด้วยนั่นเป็นสิ่งที่ทหารควรจะทำ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 ทหารพรานก็กลับมาและกระซิบกับผู้บัญชาการจากนั้นผู้บัญชาการจึงประกาศกับทุกคนว่าค่าสึกได้เคลื่อนย้ายไปแล้วตอนนี้เรามีทางออกแล้วจงเก็บของโดยเร็วอย่างเงียบๆไปกันเถอะทุกคนรอดกลับออกมาโดยปลอดภัย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 สำหรับผู้ที่ไม่ชอบดื่มชาโปรดจำคำกล่าวนี้ไว้เมื่อใดที่ไม่มีอะไรให้ทำเมื่อนั้นก็ไม่ต้องทำอะไรอาจจะเป็นที่รู้รู้กันอยู่แต่มันอาจจะถึงกับช่วยรักษาชีวิตเราไว้ได้ด้วย